สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการกลเม็ดเครือไอเดียค่ะอยู่กับเอนะคะพนุมาหัดทบูลค่ะรับหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาค่ําคืนแบบนี้นะคะเรื่องราวของอาหารต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเอก็มีเรื่องราวสาระดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยเลยนะสำหรับเรื่องราวของกลเม็ดครือไอเดียของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเอมีเรื่องราวเกี่ยวกับ เคล็ดลับนะคะซึ่งเป็น4เคล็ดลับคู่ครัวค่ะสำหรับแม่บ้านมือใหม่มาฝากกันในช่วงแรกนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอะไรยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีกันก่อนค่ะ ของรายการกลเม็ดครัวไอเดียค่ะกับช่วงนี้แล้วกลเม็ดลุยเข้าครัวนะคะ เคล็ดลับ4ี่เคล็ดลับต่อไปนี้ที่เอจะมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะได้รับฟังกันนะคะสําหรับแม่บ้านนั้นค่ะเรื่องในครัวเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยทีเดียวนะคะเพราะหากว่าคุณเป็นแม่บ้านที่ไม่มีความเก่งในเรื่องของครัวเอาซะเลยเนี่ยก็จะทําให้สามีนะหรือว่าคนในครอบครัวนะคะอาจจะไม่ปลื้มเอาได้เพราะฉะนั้นแล้วค่ะเรามาเปลี่ยนตัวเองนะคะให้เป็นแม่บ้านคนเก่งด้วย4เคล็ดลับครู่ครัวรับรองค่ะว่าหลายๆคนอาจจะต้องถูกใจแน่นอน ะคะเคล็ดลับแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังเคล็ดลับต้มไข่ไม่ให้เปลือกแตกอาจจะดูเหมือนง่ายนะแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะการต้มไข่นะคะมันอาจจะมีอะไรที่ต้องใช้เคล็ดลับมากกว่านั้นนะค ะ, ะหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะต้มอย่างไร เปลือกไข่เนี่ยก็มักจะแตกจนดูไม่น่าทานทุกทีอีกทั้งเนี่ยยังทำให้ไข่ต้มมีรสชาติไม่อร่อยอีกนะคะแต่ความจริงแล้วค่ะการต้มไข่ให้เปลือกไม่แตกนั้นไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่คุณนะคะใส่เกลือลงไปในหม้อก่อนที่จะนําไข่ลงไปต้มหรือว่านาไข่เนี่ยลงไปต้มในน้ำที่กาลังเดือดจัดเพียงแค่นี้นะคะเปลือกไข่ก็จะไม่แตกแล้วแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือให้นาเข็มหมุดค่ะใส่ลงไปในหม้อต้มนะ สักสองถึงสามอันค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้โม้อย่างใดนะคะตานี้ะนนละนะเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งค่ะก็จะทำให้เปลือกไข่เนี่ยไม่แตกเหมือนกันนะลองดูค่ะข้อที่สองนะคะเคล็ดลับนี้เป็นเคล็ดลับในการต้มผักให้สวยแล้วก็น่ารับประทาน ผักต้มนะคะกินกับน้ําพริกนะนะับว่าเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยทีเดียวค่ะแต่มักจะมีปัญหาในเรื่องของการต้มผักอยู่บ้างนะก็คือผักเนี่ยมักจะเหี่ยวแล้วก็มีสีที่ไม่ค่อยน่ารับประทานนะคะบางทีนี่อาจจะคล้ำดำําดูแบบว่าโอ้ไม่สวยงามนะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะในการต้มผักให้คุณนะคะใส่เกลือลงไปในน้ําต้มผักเนี่ยเล็กน้อยเพียงแค่นี้ค่ะผักก็ยังคงสีสันน่ารับประทานอยู่นะคะแล้วก็มีความสดใสด้วย ต่อมาข้อที่3ค่ะเคล็ดลับที่3นะคะกับเคล็ดลับของการทอดอาหารไม่ให้อมน้ำมันอืมเรื่องนี้นะคะอาจจะต้องแบบ ใช้ความมีฝีมือนะแล้วก็ประสบการณ์มากเลยทีเดียวสำหรับแม่ครัวมือใหม่นะคะหรือว่าคุณแม่บ้านมือใหม่นะแม่บ้านหลายๆคนค่ะคงจะเจอกับปัญหาในเรื่องของการทอดอาหารแล้วอมน้ำมันนะคะไม่ว่าจะเป็นการทอดปลาทอดหมูทอดไข่นะคะหรือว่าอาหารทอดอื่นๆซึ่งนอกจากจะทำให้รู้สึกว่าไม่อยากทำแล้วว่าจะเหนื่อยเหลือเกินนะแต่ก็ยังเป็นสาเหตุนะคะแล้วก็ เพราะเพราะว่าพอมันอมน้ำมันแล้วเนี่ยนะยังอาจจะทำให้เป็นรกอ้วนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้อาหารนะคะอมน้ำมันก่อนนาอาหารลงทอดค่ะให้คุณนะคะใส่น้ำส้มสายชูลงในน้ำมันเล็กน้อยรอให้น้ำมันเดือดดีก่อนค่ะแล้วจึงนำอาหารทอดเนี่ยลงไปทอดนะคะแค่นี้นะคะก็หมดปัญหาเรื่องของอาหารอมน้ำมันแล้ว เคล็ดลับสุดท้ายเคล็ดลับที่4ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของการขาจัดกลิ่นคาวของหมึกนะคะเคยไหมคะกับการนําหมึกมาทําอาหารนะคะเราก็ต้องเจอกับกลิ่นคาวของหมึกทุกทีเพราะฉะนั้นแล้วค่ะหากคุณไม่อยากให้อาหารมีกลิ่นคาวหมึกนะคะให้คุณนําหมึกไปแช่ไว้ในน้ําที่ผสมด้วยน้าส้มสายชูประมาณ 5-10 นาทีค่ะน้าส้มสายชูนะคะจะช่วยกําจัดกลิ่นคาวของหมึกเนี่ยให้หมดไป ทีนี้ค่ะคุณก็จะสามารถนำหมึกมาประกอบอาหารนะคะได้โดยไม่มีกลิ่นคาวแล้วล่ะค่ะนี่ก็คือสเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่คุณแม่บ้านมือใหม่นี่อาจจะยังไม่ทราบกันเพราะฉะนั้นเอกก็เลยนําเคล็ดลับง่ายๆนะคะไว้ให้คุณแม่บ้านเนี่ยนำไว้นะคะคู่ครัวนะแล้วก็เข้าครัวในครั้งต่อๆไปด้วยแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเราจะกลับมานะคะในช่วงของกลเม็ดเกล็ดเสริมครัวเอมีเคล็ดลับดีๆแล้วก็เรื่องราวดีๆรอคุณผู้ฟังอยู่แล้วค่ะ เพียงข้างคุณตึงมีพร้มละมุนทอดพาดวงใจเราไปยังนภะาฟ้าที่แสนไกลที่ไม่มีใครเคยเกาลําคําผ่านพ้นไปเก็บดวงดาวที่ลอยเกลื่อนฟ้าจับมาเรียงร้อยเป็นมาลายคล้องใจ ฟ้าที่แสนไกลที่ไม่มีใครเคยก่าวล้ำค้ามผ่านพ้นไปเก็บดุมดาวที่ลอยเกลืยนฟ้าจับมาเรียงร้อยเป็นมาลายคล้องใจคู่กันเพียงแค่ใจเรารักกันบดบังความสาคัญ แสงจันทร์สุกสกาวดวงดาวแพรวเพรวนับหมื่นร้อยพันรวมกันเป็นพยานแห่งรักที่ไม่มีพิธีใดจัดสำคัญและเรามีเพียงงานวิวาเดียวได้ภายใต้แสง กันเป็นพยานแห่งรักที่ กับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะยังอยู่ในรายการกลเม็ดครัวไอเดียค่ะและช่วงนี้กลเม็ดเกร็ดเสริมครัวนะคะ mm hmm. เอมีเคล็ดลับการตกแต่งห้องครัวค่ะคุณผู้ฟังที่วันนี้เนี่ยเอาใจสําหรับคนที่รักในความประหยัดนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการตกแต่งห้องครัวที่ถูกวิธีประหยัดงบได้เยอะเลยละค่ะคุณผู้ฟังคะสิ่งสําคัญที่สุดในการออกแบบห้องครัวนั้นนะคะก็คือในเรื่องของฟังก์ชันของการใช้งานควรดูว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยครบถ้วนถูกต้อง แล้วก็เหมาะสมตามความต้องการของเราหรือเปล่านะคะแล้วจากนั้นเนี่ยจึงค่อยคำนึงถึงเรื่องของการตกแต่งให้สวยงามเพราะว่าห้องครัวเนี่ยบอกอยู่แล้วค่ะว่าเป็นเรื่องของการทำอาหารนะคะเป็นเรื่องของการโอ้โหมันบางทีเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความสวยงามซะทีเดียวมันก็ไม่ถนัดของการใช้งานถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ เกลดหรือว่าเคล็ดลับนะคะการออกแบบห้องครัวที่เอนามาฝากกันในวันนี้รับรองว่าต้องถูกใจแน่นอนข้อแรกนะคะห้องครัวเนี่ยเป็นห้องที่ควรมีแสงธรรมชาติเข้าถึงได้โดยออกแบบให้มีหน้าต่างสําหรับระบายอากาศแล้วก็กลิ่นนะคะแต่หากห้องครัวของบ้านเนี่ยไม่สามารถมีหน้าต่างได้ก็ควรใช้วิธีการเจาะสกายไลท์นะคะบนเพดานแล้วก็ติดกระเบื้องใสให้แสงเนี่ยส่องมานะคะถึงห้องครัวก็จะดูสว่างแล้วก็น่าใช้งานค่ะ ข้อที่2นะคะการเลือกอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องครัวรวมไปถึงฟิตติ้งแล้วก็ฮาร์ดแวร์ต่างๆนะคะควรเลือกโดยคำนึงถึงการทำความสะอาดที่ต้องง่ายแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานอีกด้วยเพราะว่าห้องครัวค่ะมีการใช้งานอย่างหนักทุกวันไม่สมควรที่จะต้องซ่อมแซมบ่อยๆนะคะข้อที่3ค่ะท็อปเคาน์เตอร์ควรเป็นวัสดุที่เป็นหินกร a n ิด หินเทียมกระเบื้องนะคะหรือว่าสแตนเลส ก, ก็ได้เนื่องจากมีความแข็งแรงแล้วก็ดูแลรักษาได้ง่ายนะคะไม่ควรใช้หินอ่อนเพราะว่าจะมีปฏิกิริยากับกาแฟาแล้วก็เครื่องปรุงอาหารบางอย่างค่ะนอกจากนั้นนะคะท็อปเคาน์เตอร์เนี่ยไม่ควรมีรอยต่อหรือว่าร่องเพราะจะทำให้เศษอาหารนะคะตกลงไปในร่องแล้วก็ทำความสะอาดได้ยากมากค่ะ ข้อที่4นะคะคุณผู้ฟังตำแหน่งของห้องครัวควรจะเชื่อมต่อกับห้องรับประทานอาหารได้สะดวกแล้วก็หากห้องครัวเนี่ยแยกออกไปจากตัวบ้านนะคะก็ควรออกแบบทางเดินที่มีหลังคากันฝนตลอดทางด้วยนะคะแล้วข้อที่5ค่ะหลีกเลี่ยงการใช้ไม้ในห้องครัวนะคะเนื่องจากการดูแลรักษาเนี่ยยากแล้วก็ไม่ทนต่อไฟอีกตั้งหากต่อมาข้อที่6นะคะ ครัวที่มีขนาดเล็กเนี่ยควรเลือกใช้บั่นเลื่อนสำหรับตู้เก็บของนะคะเพื่อประหยัดพื้นที่แล้วก็ออกแบบตู้เก็บของค่ะให้สูงชนฟ้าเพื่อจะได้ใช้พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ ต่อมาข้อที่7นะคะการออกแบบที่เก็บของในห้องครัวสมัยใหม่มักจะมีฮาร์ดแวร์สําหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆทั้งจานชามเครื่องปรุงวัตถุดิบนะคะให้เลือกมากมายหลายรูปแบบเลยทีเดียวเราควรเลือกนะคะว่าของที่เราต้องการใช้นั้นนะคะที่จะเก็บในห้องครัวมีอะไรบ้างเราก็ลงมือเลือกฮาร์ดแวร์นะคะหรือว่าฟิตติ้งตู้เก็บของเหล่านั้นตามความต้องการเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงๆค่ะ ต่อมาข้อที่8นะคะผนังเตาเนี่ยนะคะหรือว่าผนังด้านหลังเตาควรจะกรุด้วยกระเบื้องนะคะหรือวัสดุอื่นๆที่สามารถทำความสะอาดได้ง่ายและรวดเร็วเนื่องจากมักจะมีน้ำมันค่ะหรือว่าเศษอาหารนะคะกระเด็นมาโดนบริเวณ น, นี้เนี่ยทำให้เราต้องทำความสะอาดเขาอยู่บ่อยๆนะคะต่อมาข้อที่9นะคะกับ งานระบบของห้องครัวค่ะเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าห้องครัวเนี่ยจะมีการใช้งานที่สมบูรณ์แบบได้เนี่ยก็ต้องมีระบบน้ําดีนะคะน้ำทิ้งระบบดูดควันระบบไฟฟ้าที่มีการออกแบบมาเป็นอย่างดีค่ะท่อต่างๆเนี่ยจะต้องไม่กลายเป็นแหล่งเชื้อโรคที่เหม็นอับของห้องครัวด้วยนะคะ อย่างที่บอกไว้นะคะว่าครัวเนี่ยก็เหมือนกับระบบภายในของบ้านหากได้รับการออกแบบที่ดีนะคะมีความเหมาะสมแล้วก็สวยงามบ้านหลังนั้นก็จะน่าอยู่ ยิ่งเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปนะคะห้องครัวเนี่ยก็จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นและหลากหลายกว่าเดิมหลายเท่าตัวค่ะห้องครัวที่มีไว้สาหรับทำอาหารเพียงอย่างเดียวกลายเป็นห้องที่มีกิจกรรมอื่นๆมาร่วมอยู่ด้วยบ้านจึงไม่มีคาว่าหน้าบ้านรับแขกและหลังบ้านทำครัวอีกต่อไปเพราะว่าความสุขสามารถเกิดขึ้นได้ทุกจุดในบ้านอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆ ด, ด้วยนะคะจากกระปุกดัดค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังเอมีเรื่องรานะะในช่วงสุดท้ายแล้วเกี่ยวกับการทำความสะอาดห้องครัวและอุปกรณ์ต่างๆมาฝากกันซึ่งวันนี้กระซิบบอกนิดนึงนะคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องครัวสแตนเลสเรามีวิธีการรักษาดูแลนะคะเราก็การทำความสะอาดมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงหน้าคะ่ะ We are the n i g h t of the g k y เหมือนฉันได้พบความจริง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 กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะในรายการกลเม็ดครัวไอเดียค่ะและช่วงนี้แล้วกับกลเม็ดเกล็ดท้ายครัวนะคะยังอยู่กับเอค่ะกับเรื่องราวของสารพันในห้องครัวเช่นเคยนะคะซึ่งช่วงนี้เองนะเราเกลิ่นกันตั้งแต่ช่วงที่แล้วแล้วนะคะว่าเอ ม, มีเรื่องราวของการดูแลรักษานะคะแล้วก็การทำความสะอาดของเครื่องครัวสแตนเลส มาฝากกันนะคะทำอย่างไรนะให้เครื่องครัวสแตนเลสเนี่ยน่าใช้อยู่เสมอเครื่องครัวสแตนเลสนะคะถือเป็นวัสดุชิ้นโปรดที่หลายๆคนเลยนิยมใช้กันมาทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะกับห้องครัวนะคะเพราะเฟอร์นิเจอร์ที่ทาจากสแตนเลสเนี่ยจะช่วยทำให้ห้องครัวดูสะอาดน่ามองมากขึ้นค่ะแถมยังเสริมลุกนะคะให้มีความเป็นมืออาชีพนะแล้วก็ห้องครัวเนี่ย สวยวิ่งนะคะเหมือนในรายการทำอาหารเลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะถ้าอยากให้เครื่องครัวสตแตนเลสของคุณดูดีอยู่เสมอแล้วลวก็คงต้องใส่ใจดูแลกันหน่อยค่ะด้วยการทำตามเทคนิคดีๆที่วันนี้เอานำมาฝากกันนะคะต้องขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจากรปดอทคอมเช่นเคยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ สำหรับการดูลารักษาเครื่องครัวสแตนเลสนะคะคุณผู้ฟังอย่างแรกเลยเนี่ยต้องกําจัดรอยนิ้วมือออกไปบ้างนะคะข้อเสียของบรรดาพวกเครื่องครัวสแตนเลสต่างๆนะคะก็อยู่ตรงที่มันชอบมีรอยนิ้วมือนี่แหละคะ่ะติดอยู่เต็มไปหมดเลยไม่น่ามองนะคะเพราะฉะนั้นแล้ค่ะคุณควรทําความสะอาดด้วยการนําน้ํายาทําความสะอาดแล้วก็ เลือบเงาสแตนเลสนะคะมาใช้ในขวดสเปรย์และฉีดลงไปบริเวณเครื่องครัวของคุณค่ะในปริมาณที่พอสมควรนะคะจากนั้นเนี่ยจึงใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้ทั่วเพียงทำแบบนี้อาทิตย์ละครั้งนะคะเครื่องครัวของคุณเนี่ยก็จะสะอาดเหมือนได้ใหม่แล้วละค่ะ ต่อมานะคะรามตระวังในเรื่องของการทําความสะอาดถ้าอยากให้เครื่องครัวสเตลเลต ข, ของคุณสวยทนอยู่ได้นานๆแล้วเราก็ต้องรู้จักระมัดระวังในการทําความสะอาดกันสักหน่อยค่ะโดยคุณนะคะไม่ควรเอาพวกสเปรย์ขจัดเชื้อรามาใช้โดยเด็ดขาดค่ะเพราะว่าสารเคมีในตัวนะคะมันอาจจะทําลายความแวววาวของเครื่องสเตลเลต ข, ของคุณได้นอกจากนี้แล้วนะคะการใช้สก๊อตไบท์อาจจะแรงเกินไป ดังนั้นค่ะควรใช้ผ้าสะอาดที่ไม่ขาดรุ่ยง่ายนะคะจะดีกว่าต่อมานะคะเป็นรอยขีดข่วนก็จัดการได้ค่ะหากเครื่องครัวสเตลเลตของคุณนะคะเกิดรอยขีดข่วนขึ้นไม่จำเป็นจะต้องกังวลไปค่ะเพราะว่ามันยังมีโอกาสที่จะกลับมาสวยเหมือนเดิมได้โดยไม่ต้องซื้อใหม่ให้เปลืองเงินค่ะซึ่งกรณีที่เกิดรอยแบบนี้นะคะยกเว้นให้คุณใช้สก็อตไบท์ได้ชัวคราว โดยเอาสก็อตไบค่ะมาชุบน้ํายาทําความสะอาดลูกโบลลิงแล้วเช็ดเบาๆนะคะตามรอยนั้นจะเป็นตัวช่วยในยเรื่องของรอยขีดข่วนให้เลือนลังลงได้ค่ะเพียงเท่านี้นะคะเครื่องครัวสแตนเลส ข, ของคุณก็จะกลับมาสะอาดแวววาวน่าใช้อีกครั้งแล้วละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าลืมเอาเทคนิคดีๆเหล่านี้ไปลองใช้กันดูค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังหมดเวลาของรายการกลเม็ดเครื่อไอเดียแล้วก็เอล้าวค่ะ กลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะเอจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ฟังนั้นต้องรอติดตามกันแต่ว่าในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างใครที่ยังขับรถนะใช้รถใช้ถนนอยู่ในขนาดนี้นะคะก็ขอให้มีสติทุกครั้งนะคะที่อยู่หลังพวงมาลัยด้วย และหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากจะพูดคุยกับเราหรือว่าแลกเปลี่ยนนะข้อคิดเห็นต่างๆนะคะหรือว่ามีข้อติชมข้อแนะนำนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ค่ะที่แฟนเพจวิทยุราชมงคลทั ญ, ญบุรีนะคะโดยรายการกลเม็เครือไอเดียนะคะสร้างสารรค์และเปลี่ยนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีค่ะ ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะย้ำในเรื่องของห้องครัวกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าห้องครัวนั้นเปรียบได้เหมือนกับสุขภาพของคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องดูแลห้องครัวนะคะให้เหมือนกับสุขภาพของคนในบ้านเช่นกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกลเม็ดครัวไอเดียละเอแล้วนะคะคงต้องลาการไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและสวัสดีค่ะ